ทสวัสดีค่ะท่านฟังที่พิพิธครับติดตามรับฟังรายการสรรเสนีสนทนากันมาถึงอีกวันหนึ่งแล้วนะคะรายการนี้ออกอากาศทาง FM ฟเอ้อครอบครัวข่าวสรรเสนีนาฏพงดําเนินรายการพระมหาภัยบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพระุทธเจะนะให้กับเราเท่ากับว่าเราจะได้เข้าถึงนะคะว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสสอนอะไรกันบ้างไม่ใช่ว่าพอเกี่ยวข้องกับพะซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์แล้ว เราก็รู้จักแต่เพียงว่าพ๋อไปวัดไปถวายอาหารพระไปถวายปัจจัยพระไปทาสังฆทานไปให้พระพรมน้ำมนต์สักหน่อยอย่างที่เราทำกันอยู่ที่ผ่านมารับรองว่าเมื่อท่านได้รู้จักแล้วท่านจะมีแต่ความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นไม่เชื่อก็ลองเริ่มต้นจากตอนต้นของรายการที่เราจะให้พระมหาพัยบูรเนี่ยนะคะได้ช่วย นำการปฏิบัติให้กับพวกเราเสมือนหนึ่งว่าเราได้เดินทางไปปฏิบัติอยู่ที่วัดป่าดอนายโศกเลยนะคะซึ่งการปฏิบัติธรรมนี้พระศาสดาก็ได้ตรัสว่าเป็นการกระทาที่มีผลอันใหญ่มีอานิสงส์อันใหญ่นะคะเตรียมตัวกันให้ดีเพราะว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเราไปพบกับพระอาจารย์กันก่อนคะ่ะกลั่นมสการท่า ง, งคะเจิบาน ที่คนยอมติวพูดถึงเรื่องของอนิสงส์หรือผลที่เกิดขึ้นยันใหญ่หลวงแต่พระพุทาก็เคยเปรียบเทียบถึงการที่เริ่มจากการที่เราให้ทานแล้วก็จะมีอนิสงส์ระดับหนึ่งรักษาศีลก็จะมีอนิสงส์มากขึ้นและการเจริญสมาธิภาวนาก็จะมีอนิสงส์สูงที่สุดแต่ซึ่งการเจริญสมาธิภาวนานั้นทําได้อย่างง่ายได้ง่ายได้ในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเราทําถูกมีหลักการที่ถูกต้องแต่ซึ่งที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยก็จะมีการสอนอยู่เป็นประจำ ในพิธีการที่เราสอนเราทําอยู่ที่นี่ก็คือการที่เราให้มีสติตั้งขึ้นแต่ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ก็สามารถทําได้ด้วยเลยแต่ดยการที่เรามาสังเกตลมหายใจของเราลมหายใจของเราอยู่ที่ไหนแต่เพราะบางีมันยาวเข้าไปในท้องในคอในอกแต่มันยาวออกมาถึงขนาดที่ว่าไหลออกไปข้างนอกข้างนอกแเป็นอากาศที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปตามรู้ดูมันเนี่ยบางทีอาจจะเป็นการยากแต่แต่เทคนิคง่ายๆที่พุทชาจ้าให้ไว้ในที่นี้ก็คือ ให้เรามาดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้านะคําว่าดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าก็คือหาจุดใดจุดหนึ่งในบริเวณด้านหน้าในที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจซึ่งในที่นี้ก็คือโพรงจมูกของเราตนเองที่เมื่อเราระลึกถึงมาดูตรงนี้ในบริเวณโพรงจมูกว่าเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ที่ไหนเอาชีิตของเราตั้งไว้ที่ตรง น, นั้นสัมผัสนี้อาจจะแรงบ้างเบาบ้างนะ ส, สังเกตได้ง่ายบ้างสังเกตได้ยากบ้าง จะลองหายใจแรงๆดูสักสองสาครั้งใ น, นเมื่อหายใจแรงๆดูสักสองาครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้ที่ไหนเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นใ น, นเมื่อหายใจอย่างนี้รู้แล้วแล้วก็หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่ตอไปไหนเอาตำแหน่งเดิมจุดเดิมเนี่ยเป็นที่ตั้งของการที่เราจะจิตเอาจิตของเราไว้ที่นี่เวลาที่เราตั้งจิตให้มั่นคงอยู่ที่นี่แล้วในเป็นธรรมดาที่บางทีอาจจะได้ยินเสียงมีความรู้สึกทางกาย ไม่ว่าจะเป็นตามแขนขาในท้องหรือว่าเรื่องของสมบัติตางกายในความคิดในทางใจมีอยู่แต่พอเรามีความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นแล้วอย่าให้เราลืมหลงลมหายใจให้เรานึกถึงลมหายใจของเราเอาไว้ได้แต่ส่งจึงก็เราให้อยู่กับลมหายใจเอาไว้แเป็นผู้ที่มีลมหายใจไม่ลืมหลงมีสติมไม่ลืมหลงเป็นผู้ที่ไม่ลืมลมหายใจในขณะที่เราเฝ้าสังเกตลมหายใจของเราอยู่อย่างนี้เรามาฟังพระสูตรซึ่งเป็นเรื่องราบที่พระเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้ มีในสมัยหนึ่งที่ได้เคยตรัส ก, กับท่านพระอนุ์ถึงบางขึงการเกิดของคนเรานนะไม่ว่าเราจะเกิดกําเนิดเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะทำนิพพานาได้ได้ยืนยันกับท่านพระอนุนไว้โดยประกาศถึงเรื่องของการเกิดของคนเอาไว้อยู่6กอย่างดังนี้ก็คือว่าอานุ์คนบางคนมีชาติ ด, ดำก็ให้เกิดทําดำบางคนมีชาติ ด, ดำก็ให้เกิดทําขาว บางคนมีชาติดำก็ให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวบางคนมีชาติขาวก็ให้เกิดธรรมดำบางคนมีชาติขาวก็ให้เกิดธรรมขาวบางคนมีชาติขาวก็ให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนุ์คนมีชาติดำก็ให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่า คือคนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพรานหน้าเนื้อตระกูลจากสารตระกูลช่างทํารถตระกูลเทอยากเยือซึ่งเป็นคนจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดยเกี๋งมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมขี้โรค ตาบอดง่อยกระจกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายรูปทาที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแต่เขาก็ยังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงทุกติมินิบาตนรกนี่แหละเรียกว่าคนมีชาติดำก็ให้เกิดทำดำอานนต์คนมีชาติดำก็ให้เกิดทำขาวเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหายได้โดยยากไม่ค่อยจะมีข้าวมีน้ำแต่เขาประพฤต กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นบรพพฤิสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แหละเราเรียกว่าคนมีชาติดำก็ให้เกิดธรรมะขาวอ น, นุน์คนมีชาติดำก็ให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่า คือคนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่าคือตระกูลจันทานเป็นต้นแต่เขานั้นปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ําฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนครั้นบวชแล้วอย่างนี้ล้านิ้บ่อนต่างห่างอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทําบัญญัติให้ถอยกาลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดี ในสติประฐานทั้งสียังโพชฌงค์ทั้งเจให้เกิดลาวตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แหละเรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์ส่วนคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมะดำเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในกรณีนี้ เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลกษัตริย์มหาศาลตระกูลพราหมหาศาชหรือตระกูลข้าปรีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัวเขามีรูปงามหน้าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเคลี่ยงกล่าวแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง ร่ำรวยด้วยข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานบานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแต่เขากับประพฤตไกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรก นี่แหละเรียกว่าคนมีชาติขาวก็ให้เกิดธรรมะสีดำอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่อ่านให้ฟังถึงการเกิดทั้งหมด6อย่างเชนพอดสาธุค่ะท่านฝันงที่เคราะครั้งแรกที่ดิฉันได้อ่านพระสูตรนี้ได้ฟังพระสูตรนี้ก็ต้องบอกว่าทบทวนอยู่หลายครั้งแล้วก็จะงงนะนะคะจนสุดท้ายเนี่ย ฟังจนเข้าใจอะค่ะแต่ว่ามาถึงวันนี้ดิฉันคิดว่าท่านฟังอาจจะจริงๆท่านท่านไทบุญอธิบายค่อนข้างฟังง่ายนะคะแต่พูดซ้ำอีกหน่อยก็ดีค่ะอืมอได้คือแบ่งเป็น2หมวดในหมวดละ3อย่างหมายถึงว่าคนมีการเกิดแบบเออเป็นเป็นก็ได้ไว่ามีอาภาพนิดนึงมีการเกิดที่เรียกว่าเป็นสีดำเนี่ยนะที่ผู้เชี่ยวปรียบเทียบเนี่ยมีการเกิดอยู่2แบบคือสีดํากับสีขาว การเกิดสีดําก็คือเป็นการเกิดชนิดที่เรียกว่าอยู่ในตระกูลต่ํำมีเงินทองน้อยเป็นในลักษณะนี้อาจจะถึงขนาดว่าตาบอดง่อยเปรี้ยเสียขาเปถึงขนาดนั้นก็จะเป็นก็มีเหมือนกันนี่คือการเกิดชนิดที่เรียกว่าสีดําอีกประเภทนึงคือการเกิดสีขาวการเกิดสีขาวก็เหมือนกับการเกิดอยู่ในตระกูลสูงมีเงินทองมีการศึกษามีรูปร่างผิวพรรณดีนี่คือการเกิดสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็คือ เรามีการเกิดสีดำหรือสีขาวนี่เราจะรู้ตัวเราอยู่นะทีนี้แต่ละประเภทไม่ว่าคุณจะเกิดแบบไหนนะทั้งสีดำและสีขาวเนี่ยจะสามารถมีการกระทำนะมีการกระทำให้เกิดธรรมะทั้งสีดำก็ได้สีขาวก็ได้นะไม่ดำไม่ขาวก็ได้นะการกระทาตรงนี้ก็คือการกระทาสีดำก็คืออะไรก็คือการทำชั่วนะการกระทำสีขาวคืออะไร ค, คือการทาดีนะทำดีก็ไปสวรรค์ทำชั่วก็ไปนรกใช่ และการการะทาชนิดที่เรียกว่าไม่ดำไม่ขาวนั้นเป็นใบเพื่อการสิ้นกรรมนั่นก็คือการที่ทำนิพพานทำก็เรียกว่าออกบวชละนิวอนเอจเริญโพชงเจตทำสติปัฏฐานสีให้เกิดขึ้นได้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งเป็นทางที่3ขนะกองทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวฉันต้องขออนุญาตที่จะสรุปเพื่อที่จะบอกท่านฟังทั้งหลายในเบื้องต้น ต, นตอนนี้ว่าต้องฟังเลยนะคะ เพราะว่าพระสูตรบทนี้เนี่ยเป็นพระสูตรที่จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเกิดดาเกิดขาวตามลักษณะที่พระพุธองค์ได้ตรัสอธิบายมีโอกาสในชีวิตขึ้นอยู่กับที่การกระทำของท่านที่จะปฏิบัติอย่างไรใช่ใช่แแล้วเราเราเป็นเรื่องที่พอเราฟังแล้วเนี่ยอาวคนชั่วคนคนที่เขาเกิดดีเขาก็ทำชั่วได้คนที่เขาเกิดไม่ดีเขาก็ทำดีได้ซึ่งตัวอย่างเราเห็นอยู่เยอะแยะ คนที่เกิดในสลามอาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากแรงแค้นในเบื้องต้นแต่เขาทำดีก็มีความขยันขันแข็งเดินตามมากแต่แล้วก็เป็นคนที่มีทำขาวในอยู่ในใจเขาก็ได้อันนี้ก็มีแล้วก็ไม่ใช่ยอยู่แค่นั้นนะมันมีทั้งต่อไปอีกนะคือทำให้เกิดนิพพานได้เหมือนกันนะไม่ว่าเราจะจนขนาดไหนก็ตามเนี่แหลคะ่ะท่านคะคือถ้าสมมติว่าเป็นการกระทาในแบบ ท, ทั่วไปที่ว่าเป็นความดีชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างกับที่ท่านยกตัวอย่างไปแล้วบางคนยากจนเข็นใจพยายามเริ่มเรียนศึกษาหาความรู้ทําตัวดีก็ประสบความสําเร็จในใ ช, ชีวิตได้แต่ว่าทีนี้มาถึงตอนที่บอกว่ากรรมไม่ดําไม่ขาวดิฉันก็สงสัยนะคะความจริงถ้าในลักษณะของโลกทั่วๆไปเนี่ยดำเรารู้เราว่าไม่ดีขาวเราว่าดีแล้วทําไมไม่ดําไม่ขาวดีกว่าท่านคะ เอ่อไม่น้ำไม่ขาวเนี่ยเป็นใบเพื่อความสิ้นกรรมแต่ทำไมดีกว่าสีขาวค ะ, ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันเปื้อนสีน้ำได้คนที่ทำความดีได้ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาเนี่ยสักคะสวรรค์เนี่ยนะคุณโยมติวรู้ไหมว่ามันแปลว่าเครื่องคลองก็ได้นะสักคะที่เราพูดว่าสวรรค์เป็นเครื่องที่แบบทําให้เราเพลินใจดีใจพอใจเนี่ยมันอาจจะทําให้เราคลองอยู่ในนั้นก็ได้ไง ท่านเ<อ>่อนกำลังจะหมายถึงคําว่าสวรรค์เหรอคะใช่ใช่สีขาวนี่แหละสีขาวคือสวรรค์นี่แหละนะเื่อเครื่องข้องใช่แปลว่าเครื่องข้องสักขะเนี่ยแปลว่าข้องได้เพราะว่า<ช>พอเราได้แล้วเนี่ยทำให้เราลุ่มหลงได้พอเราลุ่มหลงมัวเม า, มาเราจะประมาทพอประมาทเนี่ยลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินแล้วจะประมาทพอเราประมาทปุ๊บเราจะทําไม่ดีพอเราทําไม่ดีเช่นด่ากันว่ากันทําสงครามให้กันอ่าทำไม่ดีคุณจะร่วงทันทีไปตกนรกคุณจะเป็นได้ อันนี้มันจึงไม่ดีเนี่ยมันจึงมีข้อที่แบบมมันจะเสียได้คือการที่มันเสื่อมจากตรงนั้นได้ อ, อ๋อค่ะถ้าขาวคือสวรรค์เครื่องข้องนี้ยังมีความลุ่มหลงความมัวเมาซึ่งนำไปสู่ความประมาทแล้วอาจจะคิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วมีข้อยกเว้นทําไม่ดีได้ใช่ ก็เลยทำให้ตกล่วงไปใช่ใช่ซึ่งอันนี้มีเรื่องเล่าในอีกลหลายๆลพิสูจน์ที่ว่าแม้แต่สวรรค์ก็เตะเขาก็ยังทําสงครามกันก็มีในบางสมัยค่ะแต่ที่ฉันว่าถ้าจะคิดตามเนี่ยคิดแบบยังไม่ต้องเป็นนิพพานหรือว่าไปปฏิบัติธรรมสูงส่งเอาความรู้พื้นฐานที่เชื่อว่าทําดีแล้วต้องดีนันะคะอืมดังันว่าคิดตามไปได้นะคะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้โหพอชีวิตประสบความสำเร็จ ชักจะมีความรู้สึกว่ามันใหญ่โตขับกลาดอืลืมตัวลืมตัวอันนี้ศัพท์ที่พระเจ้าใช้ก็เรียกว่าความประมาทประมาทนี้เป็นผลมาจากอะไรเป็นผลจากความมัวเมาความมัวเมานี้เป็นผลมาจากอะไรจากความเพลิดเพลินเพลิดเพลินนี้เป็นผลมาจากอะไรจากความยินดีความยินดีนี้มีผลมาจากอะไรก็จากที่คุณได้นั้นแหละเนี่ยอันนี้จึงเป็นอันตรายเกิดขึ้นได้คและที่พูดไปเนี่ยเดชินก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นนะคะที่ขับ กระลายอย่างนั้นอย่างกับตัวเองในบางครั้งเนี่ย น, นะคะก็ยังมีคนใกล้ๆตัววิจารณบอกรู้ตัวหรือเปล่าว่าเวลาที่เปลี่ยนไปปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนไปเราในเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทบทวนตัวเองให้ดีๆเลคะซึ่งเดี๋ยให้คิดว่าแบบ้บางทีเราก็ประมาิแล้วก็ ไม่รู้ตัวเองอย่างที่ท่านได้บอกพระพุธองตรัสไว้นะคะเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ก็ต้องตามความเข้าใจก่อนคือบางทีคนเราเนี่ยมันมีงานการเปลี่ยนแปลงไปรับผิดชอบมากขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามนะอันนี้จะมาคิดว่ามันเป็นเป็นธรรมดาแต่ที่เราต้องไม่เกิดคือความประมาทต้องไม่เกิดเช่นว่าบุคคลที่มีงานการมากขึ้นเนี่ยแม้จะมาพบพูดคุยพบปะแบบที่เราเคยพบปะพูดพูดคุยเจอเจอกันมันคงจะยากอยู่ เนีเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของเนื้อ ง, งานใช่ไหมแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทะซึ่งซึ่งบางทีมันก็ตูยากเหมือนกันนะบางทีต้องลึกซึ้งนิดนึงตรงนี้มันมันเหมือนกับเป็นแมายที่ฉันก็ไม่ทราบจะใช้คาไหนดีนะ บ, บางทีเราบอกโ อ, อ้เนี่ยมันเป็นความเป็นมนุษย์งาที่มันยังมีกิเลสนะก็เลยมีอีอกเหมือนเป็นกรรมชนิดหนึ่งนะคะที่<ช>เกิดมาก็เลยทําให้บางทีเนี่ยเรื่องที่มันไม่ดีเรามองไม่เห็นอืม มันอยู่กับตัวเราเนี่ยจะดูตัวเองไม่ค่อยออกอตัวนี้เป็นลักษณะที่เมาคนที่กินเหล้าเมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้ตัวเมาตรงไหนอ่ซึ่ ง, ซ, งซึ่งตรงนี้เราก็ต้องให้อย่าให้เมาตรงนี้จะเป็นเครื่องข้องอย่างที่ว่าค่ะอ่าอย่างไรก็ตามคุณโยมติ๋วตรงนี้คือคนที่ได้นะเขาอาจจะเมาแต่คนที่ไม่ได้เนี่ยก็เมาได้เหมือนกันนะอย่างจริงเช่นว่าคนที่เขาอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาไม่มีอย่างคนจนเขียนใจเนี่ยอยากได้บ้านรูๆได้รถดีๆใช่ไหม ก็แบบว่าลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นก็ได้นะในสิ่งที่ตัวเองไม่มีนั่นแหละแต่แบบลุ่มหลงมัวเมาก็เกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะว่าตัณหามันไปได้ทุกที่ท่านอธิบายเพิ่อมอีกนิดได้ไหมครเพราะดีฉันคิดว่าเข้าใจค่อนข้างยากอยู่คะ่ะอย่างเช่นว่าคนที่ยากจนเขียนใจเนะียไม่มีการงานทําพอเขาลุ่มหลงในสิ่งที่เขาไม่มีเนะีเช่นอยากได้บ้านอย่างได้รถ อ, อยากได้เงินเขาก็จะไปทำสิ่งที่ม่ดิฉันขโมย หรื อ, อว่าทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั่นก็เพราะว่าความมัวเมาในสิ่งที่ไม่มีอ๋อค่ะอันนี้นะะก็จะเกิดขึ้นได้นะค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในประเด็นที่ดรียนกลับเรียนถามท่านพิบูลนะคะว่าเอ๊ะทําไมกรรมไม่ดําไม่ขาวเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็น่าปรารถนามากกว่ากรรมขาวท่านพิบูรณ์ก็เลยบอกว่าคําว่าสวรรค์หรือสักคะเนี่ยมีคําแปลว่าเครื่องข้อง ก็คือจะต้องติดกับดักของความรุ่มหลงมัวเมาอันเป็นทางนําไปสู่ความประมาทแล้วก็จะทําให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีถูกต้องกต่ำได้แล้วก็เลยพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งด้วยว่าในทางตรนั้นข้ามไม่ใช่ว่าคุณจะมีแล้วคุณจะคล้องได้อย่างเดียวไอ้ที่ไม่มีคุณก็คล้องได้เหมือนกันนั่นกะ็คือในทางตรนข้ามคนที่ยากจนเกินใจนะทีนี้ทําให้เราเห็นประเด็นว่าไอ้ไม่ดําไม่ขาวเนี่ยมันดีกว่าแตนะในการที่จะทำใไปถึงจุดที่มีการไม่ดําไม่ขาว ก็คือต้องมีโพชฌงเศษในกาทำโพชฌงเศ7ให้เกิดขึ้นได้คุณก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ี่นการทำสติปัฏฐาน4ก็ต้องละนิวรณ์จะละนิวรณ์ได้อาณาปานาสติที่เราทำมาตั้งแต่ต้นนี่แหละจะช่วยได้นะคะนี่ก็เรียกว่าตลอดทั้งพระสูตรน่ละที่ท่านเพรบุญสรุปอย่างนี้ใช่แล้วเ ร, เราค่อยทำไปทาไปเนี่ยคือถามว่าคนที่จะมาตั้งสติได้ มีสติไม่ลืมหลงตั้งใจทําสติปัฏฐาน4ี่เจริญโพชฌงเจ็ดได้เนี่ยคุณต้องอยู่ในดินแดนที่ดีก่อนแตะ่จะึงต้องมีธรรมขาวก่อนแต่เพราะว่าคนที่แบบชุ่มอยู่ด้วยกามหรือว่ามีธรรมดาอยู่เนี่ยจะมาตั้งสติขึ้นมันก็บางทีมันยากมากค่ะเพราะเท่ากับว่าเราจะต้องระมัดระวังกายวาจาใจให้ดีเป็นเบื้องต้นก่อนใช่พอไหมคะกายวาจาใจกับ<อ>เรื่อง เป็นคำขาวนะะี่ค่ะอ๋อถูกต้องเลยการวิจาใจนี่เพียงพอยอย่างมากทีนี้คือการทำเนี่ยก็ให้ละเอียดลงไปยิ่งมากขึ้นมากขึ้นการวิจาใจนี่แหละให้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเช่นเช่นว่าเรื่องของกายเรามีรักษาศีลทางไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพิปปิณายามใช่ไหมวิจารณเรามีสัมมาวิจาในใจเอาเราระทางการไถ่บาปเบียดเบียนะให้ละเอียดลงไปอีกระดับหนึ่งนะก็คือว่าเรื่องของนิวรณ์คุณก็ละ ล, ะลงไป นนในใจไห น, นละเอียดลงไปอีกไห น, นทำสมาธิให้มันมีความลึกซึ่งมีความแน่นหนามีความมั่นคงไห น, นละเอียดลงไปอีกไห น, นก็ละเจ้าตัณหากิเลวิชาให้ได้เป็นอย่างนั้นค่ะนะคะนั้นเองที่ว่าวัานนี้น่าจะเป็นเครื่องให้กําลังใจท่านทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทั่วๆไปว่าชีวิตเรานะ่ยมันดีกว่าเดิมได้หรือว่าทําให้เราไม่ประมาท ว่าพระพุธองได้กรัสสอนว่ามาดีก็ตกตามได้นะถ้าทาไม่ดีนะคะแล้วยังบอกทางว่าดีที่สุดก็คือต้องทำในกรรมที่ไม่ต้องแปดเปื้อนด้วยความรุ่มหลงมัวเมาความประมาทถูกต้องก็คือเป็นทางแห่งการพ้นกรรมเจริญอริยมตรตมีองค์แปดค่ะวันนี้ก็นำมาสการขอบพระคุณ ท่านเพบื่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเขี น, กกนผ่านนิสการค่ะเพื่อนที่เครารพค่ะและนี่ก็คือรายการสัสีนีสทนาดำเนินรายการโดยสัสสีนาคงนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเ m 106ถ้าท่านมีเพื่อนๆที่เขาบ่นมากเลยแหมอยากปฏิบัติ ท, ทําไม่มีโอกาสปฏิบัติบอกให้เขาตื่นเช้าๆมาฟังรายการนี้แล้วเราก็จะปฏิบัติไปพร้อมๆกับการสังสมสุตตะฝังพระสูตร ที่พระศาสดาได้ตรัสสอนไว้และรับรองว่าเราจะได้ไม่ผิดเพี้ยนนะคะเดินได้ตรงทางไม่ต้องไปแวะลองผิดลองผิดนี่กลับมาถูกยากนะคะลองผิดก็ผิดนั่นแหละค่ะค่ะก็ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พุท่าสวัสดีค่ะ